อันนี้ใส่พ่อแม่ครูอาจบ้านตปขอขอคนเดียวรวมกันหมดขอทีเดียวท่านขอชี้แจใหผลในซ้ำขอในการในเวลาบวชก็เป็นอย่างหนึ่งท่นขอในเวลาที่บวชจิตเจียบร้อแล้วมารวมกันก็เป็นอย่างหนึ่งขัดต่อเอาสุภันเตท่านวะ่าเพราะในขณะนั้นเป็นนามในในามลูกศิษ ขอนิสัยจากอาจารย์ด้วยการทั้งนั้นทันงั้นถูกทั้นันจะมีแบบอยู่เราไม่เคยเห็นเน้นท่านให้ขอนิสัยเหมือนกันคือความพุ่นพิงสำหรับเนนองค์ไหนนะาาให้ท่านท่านท่านข้อนิสัยผมลืมเน้นพอได้เป็นแบบฉบับหนึ่งให้เป็นข้อคิดสำคัญ พอแม่คุยการทำอะไรนัน ม, มีเหตุมีผลทุกอย่างนะท่านมีของท่านทุกอย่างท่านทมไทำแบบสุมส่มๆเราเดาดังที่เราทั้งหลายได้เห็นทั่วๆไปเพราะฉะนั้นจึงเป็นแบบะแบบับที่ดีมากเดียวที่เรายอมสารภาพท่านอยู่ก็คือผ้าบังสกุล น, นี้ ท่านถือมาตั้งแต่ต้นเลยนะไม่เคยคลองข่าวปฏิกีวรเลยนี่เรายอมจริงๆ เ, เราไม่ได้ทำอย่างท่านท่านถือเป็นสําคัญมากสุบขงเจ้ากุ่มน น, นี่อันนี้รู้สึกว่าเราเรายอมโทษจริงๆเราไม่ได้ถืออย่างท่าน บางสกุลก็เอาข้าปฏิบีวารก็เอานะก็หอมท่านเฉพาะคลองเฉพาะบางสกุลจีวรเท่านั้นในวัดท่านยังไม่ปรากฏว่ามีกระถินนะนเป็นบางสกุลทั้งนั้นอยู่ที่ไหนๆเขาเป็นบางสกุล้ไม่ปรากฏเป็นกระถินอันนี้เราก็ยอมท่าน วก่อนเต็มทีด้อยเต็มทีท่านกรงแนวเด็ดเต็มทีตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพราะตุรุงขวัตินี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่สำคัญมากทีเดียวใครไม่เห็นตุรุงขวัตเป็นของสำคัญผู้นั้นก็คือผู้ไม่สำคัญนั่นเองจิตใจเลื่อนลอยหายหิบถ้าผลหลักเกณฑ์ไม่ได้ เพราะตัวงกวานนี้เป็นเป็นหลักของกิจใจได้ยึดได้ปฏิบัติตามเพื่อแก้กิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นไม่มีอะไรแฝงเลยทุตังคะแปลว่าารรนระขัดเกลากิเลส ที่ท่านทำให้เห็นชัดเจนและท่านปฏิบัติมาโดยลำดับไม่เคยเละเว้นเลยก็คือบางสกุลยวนเห็นท่านช้เวะลาสุดท้ายนี้จวนท่านจะป่วยนี้ก็ผ้าอังสะผ้าป่านสองฝืนที่ท่านจะคุณไอเจ้าคณะจังหวัด ปราจีนบุรีเจ้าคุณอนะลืมลเลยอำมาถวายท่านเพราะท่านเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านอยู่แล้วแต่ก่อนๆ น, นั่นมาถวายก็เล่าถวายท่านก่อนที่จะถวายว่าเจ้าของได้กรอเองอะไรเองน่ายช่างหูก็ทอให้ใหนํามาถวายนะล่าถวายท่าน แล้วก็ถวายท่านที่นี่ถ้าเห็นท่านใช้กิวถ้าอังสะสองขุนนีตอนนั้นเราตั้งใจไปอยู่กับท่านเห็นเวลาแปดปีไม่เคยเห็นท่านใช้ผ้าก็ห่าปิกิรวันเลยนี่นว่าท่านเด็ดเดี๋ยวมากนี่ก็มีความมุ่งหมายลึกซึ้งมากเพื่อความ ควาสําคัญตนว่ามีาคาุณค่ามีราคาราคาแล้วชอบสวยชอบงามว่าบางสกุลในครั้งพู้จการนั้นเป็นผ้าดึกโอเคร้าอยู่ตามที้ฝุ่นขี้ผงอ่ะยังตันที่ว่าปังสุแปลว่าขี้ฝุ่นที้ผงอ่ะเนี่ังสุกุละกับไมายถึงพื้นแผ่นดิ น, นที่โอเคร้าโดยของสกรปรกในพื้นแผ่นดินตาม ท, ท, ท, ทั่วทั่วตที่ทั่ว่วไปอยงนี้บางสกุลละกีวอนที่คลุกเค้าอยู่ด้วยฝุ่นด้วยของสกรปรกนั่นเองแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นอันต่อมาเขาก็เอาไปถวายบางสกุลดังที่เห็นเนี่ยนี่เพื่อตัดความมีคุณค่ามีราคาในความสําคัญตองต้นออกนี่สําคัญมาก การบินธบัตมาฉันตามหลักพระพุทธเจ้าที่ว่าบินธบัติเป็นวัดจริงๆก็ดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วไม่ได้คิดโลเลโลกเลขในอาหารไปก็ไปตามจิตตามการตามท่า ต, ตามขันและไปด้วยจิตจวัดอันหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องชำระ ก, กิเลสคือกิตตภวนาเดินไปบินธบาต เท่ากับเดินจงครมไม่ลืมเนื้อลืมตัวอาหารการขบฉันจะเป็นประเภทใดก็ตามไม่ติดไม่ค้องไม่เป็นอารมณ์อยู่พอย่างชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นไม่ได้คิดมุ่งหมายไปเรื่องความอรุจอร่อยหลักใหญ่ก็อยู่ยังยังอัตภาพให้เปลี่ยนไปเพื่อประกอบความ้างเพียน แกหรือถอดถอนกิเลสโดยถ่ยเดียวสาอาหารที่มีรสมากมันก็ติดมันก็เป็นกิเลสไปได้อาหารไม่มีรสกิเลสก็ไม่ค่อยแสดงตัวหเห็นชัดอีกฉันจังหันก็ไม่ได้มากมายนะพอยังชีวิตให้เป็นไป หลักใหญ่อยู่ที่ความเพียรทั้งหมดคือเพื่อแก้กิเลสเพราะพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านถือว่ากิเลสนี้เป็นภัยอย่างยิ่งในโลกกถาตันนี้ไม่มีอะไรเป็นภัยยิ่งกว่ากิเลสฟังไปเพราะฉะนั้นอะไรๆจึงจึงมุ่งเข้าไปจุดนั้นจุดนั้นจุดนั้นเดียวไม่ได้มุ่งอย่างอื่นเลยพวกเรายังไม่ได้เห็น มักกิเลสเป็นภัยเมื่อไหร่แล้วก็ต้องให้กิเลสเยียบหัวอยู่ตลอดเวลานั่นแหละพระพุทธเจ้าสอนสอนด้วยความเห็นภยัยเพราะรู้แล้วว่ากิเลสเป็นภยัยถึงกับตะเกียบตะกายสลกสลไหลจนละได้แล้วจมาประกาศโฆษณาสอนโลกให้รู้ว่ากิเลสเป็นภยัยน่นถ้าจะพูดถึงเป็นตนเป็นตัวก็หม่ว่าปู่ย่าตายายของมันโคดแท่ของมันดูกหลานเด่นของมั น, ม น, มนเป็นภัยทั้งนั้นพูดง่าย มันลูกไผเหมือนกับลูกเสือปู่ย่าตายายเสือพ่อแม่เสือลูกเสือล้านเสือเป็นไทยทั้งนั้นกัดได้ทั้งนั้น อ, อันนี้กิเลสก็เหมือนกันมันกัดได้ทั้งนั้นแหละกัดหัวใจเราให้สึกให้ก่อนให้เสียผู้เสียคนเสียพระเสียเนรเสียเอามากมายถ้าพิจารณาตามหลักธรรมของที่เจ้าสอนแล้ว เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทําใดบทบากทําบทบาทใดก็ต่อตี๊ยต้นจุดเข้ามาสู่จุดที่จะข้อกิเหลสธรรมกิเล ส, เลสอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอย่างใดเข้ามาแฝงเลยนะเพราะพระ อ, องค์เห็นภัยอย่างยิ่งไม่เห็นภยัยใดยิ่งกว่าภัยคือกิเลสบนหัวใจสัตว์การสอนจึงสอนลงในจุดที่เป็นภัยนั้นให้ได้รู้แต่จิตผู้ที่ ถูกภัยหยียย่ำทำลายอยู่มันไม่ยอมรับรู้เลยสิรู้แต่อย่างอื่นที่จะเป็นภัยแต่ตัวเพิ่มขึ้นอีกนะ่นนี่แหละมันมันถึงแก้ยากลำบากการเราปีนพิจารณาตามอัตธรรมของพระพุทธเจ้าในพิจารณาเท่าไรยิ่งละเอียดละออมากทีเดียวหาที่ค้านไม่ได้ประกอบกับเราปฏิบัติไปรู้ไปเห็นไปยอมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยตั้งแต่ขั้นต่าถึงขั้นสูงและสูงสุด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 การอยู่ในป่าก็ดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วคุณค่าของการอยู่ในปา่าพระองค์ก็ได้ประสบพบเห็นแล้วอื้นที่พอประไทยจะแนะนำมาสอนผู้บวชใหม่เป็นลุกขมุลเซนาสนางังพระบวชใหม่ทุกทุกองต้องได้รับพระอาวาตข้อนี้ไม่มีการยกเว้นเลย ยุคขโมเสนาสั ญ, ญนิสยัยอยปปชะตาใหเตยาววิจิวังอุสาหงการนี้ยู่ดังนั้นไปถึงขวาเป็นปริยายไปเป็นอันดับที่สองที่สามไปเรื่อยๆจะอะไรมีห้ารูปปาร์ซดห้ามย่งคูห้าอย่างนี้มันเป็นอันดับต่อไปต่อจากนี้อันนี้เป็นอันดับแรกเป็นที่เหมาะสมอย่างยิง่งกับการประพฤติปฏิบัติ นท่านสอนว่าให้อยู่จงพยายามอยู่ในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิด่ฟังดิคืออยู่รู้ขุมูลลำไม้แต่ก็ไม่ได้หมายว่าอยู่ตลาดไปจะไม่มีที่บุงที่บังอะไรเลยคืออยู่เป็นการเป็นเวลาแม้จะไปอยู่ในป่าในนันมีที่มุงที่บังก็หาอยู่ในป่าที่ ที่ค่ายคึงกันอย่างนั้นไยนะเพราะลูกขมูลนี่เป็นสิ่งที่ประทับใจมากสำหรับผู้ปฏิบัติที่อยู่ในสถานที่เปรียวๆอันเป็นที่น่ากลัวสัตว์ร้ายทั้งหลายนี้ก็มาฐานตั้งแต่ย้อนๆหลังมันไปหาข้างพุทธกาลนั้นมีจริงๆนี่สัร้ายดังที่เราว่าแม้แต่ในระยะปัจจุบันนี้ อย่างระยะของปู่มั่นหรือระยะเรานี่ก็ยังยังมีสมบูรณ์ให้เห็นได้ชัดเจนแตเรื่องอันตรายมันไม่มีเฉพาะทุกวันนี้เท่านั้นเองไม่กี่ปีมานี้ทั้งที่เขาทําลายป่าจนหมดนี้อันตรายทั้งหลายที่เกี่ยวกับลูกขมูลเนี่ยถึงดอยลงไปด้อยลงไปแทบกะว่าจะไม่มีมีเป็นบางแห่งคือเราอยู่ในป่าธรรมดามันก็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 ทำอยู่ที่ไหนที่นี่ทำก็อยู่ที่ใจแนย่ย้อนก็้าสู่ใจใจกับทำก็สัมผัสกันเหมือนใจกับทำสัมผัสกันแล้วก็เริ่มได้เครื่องป้องกันตัวใจสงบลงไปสงบลงไปเรื่องเสือเรื่องช้างอันตรายทั้งหลายมให้มันคิดให้คิดอยู่กับคําถ้าพูดอยู่ในวงบริกรรมก็ให้ให้คิดอยู่กับคําบริกรรมเฉะนั้นเหมือนหนึ่งว่าโลกนี้มีแต่คําบริกรรมคําเดียว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 สิ่งใดก็ตามถ้าเราได้ปรากฏกับใจของเราแล้วมันพูดได้อย่างอาจหารพูดได้อย่างแม่นยาพูดอย่างไม่ระวังจะผิดมไม่สะทกสถานเพราะได้เห็นได้รู้ได้ประจักษ์ภายใน จ, จิตใจแล้วนั่นสำคัญมากไม่ว่าสิ่งใดแม้ธรรมที่เกิดขึ้นภายใน จ, จิตใจรู้ภายในใจแล้วก็เหมือนกันอย่างนั้นสามารถพูดได้จะมีในคมภีไม่มีในคมภีที่จดจาริ้ไว้หรือไม่จดจาริ้ไว้กว็าตาม เป็นความจริงทั้งนั้นในแดนโลกธาตุนี้ที่จะพิจารณาให้เป็นอัดเป็นธรรมตามความจริงทั้งหลายที่มีอยู่นะใครไปจุดจารึกเสืออยู่ในป่าใครจะไปจุดจารึกมันทุกตัวกิริยาแห่งการประกอบความภาคเพียนอยู่ในสถานที่เะ่นนั้นใครจะไปจุดจารึกกันทุกแง่ทุกมุมแต่ผู้บำเพ็ญบำเพ็ญอยู่เห็นอยู่รู้อยู่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ นั่นเจอกันอยู่จะว่าไงจะามถให้พูดได้อย่างไงมีในตำราไม่มีในตำลาเราเห็นเราก็พูดได้จำเป็นเราจะต้องให้ตำรามาบอกหให้ตำรามาสอนพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนโลกสามแดนโล ก, กฐานจะมีเพียงแปดหมื่นสพันระตรมมขันเท่านั้นเหรือไม่พอกับกิเลสประเภทต่างๆของสัตว์โลกที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระองค์ ที่จะทรงสั่งสอนในแง่ต่างๆกันตามเจะดิกิสัยของผู้นั้นๆต้องมีมากมายหลายกองทีเดียวนะเราเชื่อเพียงแต่เราตัวเท่าหนูนี่ก็มันก็ยังได้ประจักษ์ชัดเจนถ้าพูดถึงว่าอาถรรพ์อาถารพ น, าา น, นี่สิ่งใดที่รู้แล้วมีในตำราไม่มีในตำารา อ, อาถารที่จะพูดได้เพราะความรู้อันนั้นความเห็นอันนั้นความเห็นสิ่งนั้นมันชัดเจนอยู่ในหัวใจนี่อืม เรื่องตำรับตำราผู้ไปจดจะลึกได้มากน้อยเพียงไรก็ตามกําลังที่จดได้มาแลมาเขียนไว้อ่านกาันได้เพียงเท่านั้นส่วนที่นอกไปจากนั้นเนื้อความสามารถหรือสุดความสามารถที่จะจดจะจําจะรู้จะเห็นแล้วก็ไม่มีทางที่จะจดจะจําเขียนมาได้นั่นแล้วก็สิ่งที่เราไม่สามารถจะเขียนมานั้นจะลบล้างด้วยความไม่สามารถนี้ได้เถิด มันก็ต้องมีอยู่เป็นอยู่ตามดับธรรมชาติของตัวเองนั่นแหละทาที่ว่าไม่มาในกัมพีเหมือนกับท้องฟ้ามหาสมุทรดังที่พ่อแม่ครูอาจารย์บรนพูดไม่ผิดเรายอมรับกราบอย่างราบเลยเวลาไปอยู่ในที่ฉะนั้นอะไรแสดงขึ้นมามันก็เห็นกับใจกับใจอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่าอ่านความจริงอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับเราอ่านตำหับตาลา แต่อ่านความจริงนี้ไม่สุดไม่สิน้นใจละเอียดเข้าไปเท่าไหร่เองเจอความจริงละเอียดเข้าไปอ่านกันเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนั่นสิสำคัญเริ่มตั้งแต่จิตเป็นสมาธินี่เริ่มอ่านแล้วนี่ถ้าจะว่าจะอ่านอออ่อานความจริงนะไม่ใช่อ่านตำราให้ได้อ่านความจริงที่พวกเราเดี๋ยวนี้มันไม่ได้อ่านความจริงอ่านแต่ตำหนักตำราจำได้มาแล้วก็ได้แค่ชื่อนะั้นและไม่สนใจจะละจะถอน สิ่งที่เป็นภัยไม่สนใจจะบำเพ็ญสิ่งที่เป็นคุณให้ปรากฏขึ้นตามตำราที่ชี้บอกไว้นี่นก็ได้แต่ชื่อทีนี่ผู้ปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบตัติปฏิบัติเพื่อเอาจริงเอาจังเพื่อเห็นเหตุเห็นผลเพื่อรู้แจ้งแทงตะลุทั้งกิเลส ท, ทั้งอัดทั้งธรรมทั้งหลายนั้นก็ต้องเจอเริ่มตั้งแต่สมาธิจิตเริ่มเป็นสมาธิเป็นอย่างไรนี่อ่านแล้วรู้แล้ว ไม่มีใครบอกก็รู้ภายในจิตใจเพราะใจเป็นธรรมาชาติที่รู้อะไรสัมผัสก็รู้เมื่อทำประเภทใดสัมนผัสใจทำไมใจจะไม่รู้เะาสมาธิค่อยเปลี่ยนสภาพข้าไปสู่ความละเอียดเพราะการบํารุงส่งเสริมอยู่เสมอก็รู้รู้น่ะจนกระทั่งถึงคำแน่วแน่ความละเอียด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 เริ่มอ่อนตัวหรือเริ่มแพ้ก็รู้นั่นเนี่ยเห็นอยู่ในใจของเราเนี่ยเมในแต่ท่านจะจดจะลึกไว้ในตำราทุกแง่ทุกมุมได้ยังไงแต่ผู้ปฏิบัติมันเห็นอยู่นี่ชัดๆอยู่นี่ต่อนเนื่องกันไปโดยลๆๆๆๆําดับลําดาเขียนไม่เขียนก็าตาม จ, จะตรวจจึกไม่ตรวจจาึกก็าตามความจริงกับใจมันสัมผัสสัมพันธ์กันเห็นกันรู้กันอยู่ตลอดเวลาทําไมจะพูดไม่ได้นี่สิสําคัญฮ ดังที่พูดเร่าภาวนาเมญปัญญาดังที่กล่าวมันเคยกล่าวแล้วมันเป็นยังไงภาวนามายปัญญานี่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้แล้วอย่างชัดเจนจากภาวนาเมญปัญญาของท่านที่ผ่านไปแล้วนั่นแหละท่านไม่ผ่านท่านเอาอะไรมาพูดท่านอะไรมาสอนโลกนั่นท่านรงผ่านแล้วทีนี้ผู้ปฏิบตัติเมื่อก้าวเข้าสู่ภาวนาประเภทนี้ก็เด่นชัดขึ้นมาอ๋อภาวนาเมญปัญญา ปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนานั้นไม่เกิดขึ้นจากแงใดมุมใดของการศึกษาการทำเนียบจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยคล้ายกับว่าถ้าจะพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นสยามภูนั้นรวมหมดทรงรู้เองเป็นเองไม่มีใครบอกใครสอนอันนี้เวลาจะเข้าไปรู้ไปเป็นในภาวนามยปัญญาก็ราวกับว่าเป็นสยามภูประเภทหนึ่งย่อยๆของผู้นั้นที่ได้รับการอบรมได้รับการ เนี่ยเนี่ยทางจากพุทธิเจ้ามาแล้วแต่ผู้ที่จะรู้ผู้ที่จะเป็นภานจิตใจก็คือผู้ภาวนาผู้ภาวนานั่นแหละเป็นผู้จะเป็นผู้จะเป็นและเป็นผู้เป็นเมื่อเป็นภาวนามยปัญญาขึ้นมาเริ่มแรกขนาดเป็นมากน้อยเพียงไรก็เริ่มรู้เริ่มรู้นั่นน่ะไม่มีใครบอกก็เข้าใจที่นี่อืจนกระทั่งภาวนามยปัญญานี่หมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยหรือหมุนเป็นธรรมจักร ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่มีอิริยาบถเว้นแต่หลับเท่านั้นทํางานอยู่ด้วยโดยลําพังตนเองเรียกว่าอัตโนมัติตลอดเวลาในการสังหารจิตไปไปพร้อมๆกันนั่นแหละคือในการในการประกอบความเพียรด้วยภาวนาประเภทนี้ก็เป็นการสังหารจิตไปในขณะเดียวกันขณะเดียวกันนี่เนื้อตราท่านจดใจลึกไว้ไหมท่านบอกไว้แต่เพียงภ า, ภาวนามญปัญญาเท่านั้น เวลามันไปเจอกันเข้าแล้วไปผู้ปฏิบัติไปเป็นภาวนามยปัญญาเขาแล้วเป็นอย่างไรบ้างสืบเนื่องกันไปตั้งแต่เริ่มต้นของภาวนาภาวนามยปัญญาจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาซึ่งออกไปจากภาวนานามวณปัญญายืดยาวขนาดไหนละเอียดแหลมคมขนาดไหนแล้วท่าไม่ได้จดจารึกเอาไว้แต่ผู้ปฏิบัตินั้นยังไงก็นหนีไม่พ้นเจอเจอเจ อ, เจอตลอดเวลาสําหรับผู้ปฏิบัตินั่นนี่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 ที่เรียกว่าสันติทโโเทโพหรือว่าเหมือนกับว่าสยามูย่อยๆโอ้ย่อยๆก็ได้คือรู้เองเห็นเองเป็นเองเพราะทําเองรบเองชนะเองเห็นกันชัดๆอยู่ในตัวนเวลานั้นเราจะไปคว้าเอาคําตำคํำผีบานที่ไหนมาเทียบ ม, มาเทียงไม่ทันกันเลยเพราะอันนี้มันรวดเร็วมากเกินกว่าที่จะไปหาคว่าคัมภีรนั้นคมภี์นี้มาซึซ่งจะทําให้ไม่ทันการนั่นฟังซินี่แหละความจริงแท้เข้า เข้าเจอกันนรืเข้าบวกกันหรือเข้าต่อสู้กันมีความรวดเร็วขนาดนั้นใครจะไปหาคิดในตำรับตําราอยู่ตลอดเวลาอืเมื่อความจริงเข้าถึงกันยิเล็กก็เป็นความจริงเพทหนึ่งปัญญาก็เป็นความจริงเพศหนึ่งวิธีการต่อสู้แต่และอย่างในอย่างนี้ไม่ต้องศึกษาจากใครมันมักมีอุบายวิธีการที่จะทันกันตลอดเวลาต่อสู้กันอยู่นั้นเพราะใครจะหวังแพ้ล่ะ ไอ้กิเลสมันก็ไม่ไดหวังจะแพเราไอ้เราก็ไม่หวังจะแพ้กิเลสเราจะก็จะเจ้าชนะจนได้นั่นแหะมันต่อจะเรียกว่าต่อสู้กันขณะที่ต่อสู้นั้นต่อสู้วิธีใดจะไปบอกใครได้ยังไงต้องเป็นเรื่องอุบายกลวิธีของเจ้าของเองทั้งนั้นเมื่อถึงปัญญาขั้นนี้แล้วเป็นอย่างนั้นหมุนรอบตัวเลยถ้าเป็นไม้ก็เป็นต้นเสาทาสี่เหลี่ยมกิ้งยากทาแปดเหลี่ยมกิ้งง่ายเข้าไปฟาดชิ้หกเหลี่ยมแล้วใสกลมแล้ว เลยนั่นอันนี้ปัญญานี้ก็เหมือนกันตั้งแต่สี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมและ1สิบหกเหลี่ยมจากนั้นมาก็กลมริ่พนปัญญาคล้องตัวอือมันจะมีในตำราทุกบทุบบาทไหมแต่นี่เราผู้ปฏิบัตินั้นจะลบล้างด้ไหนไหว่าไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นความจริงทั้งหลายเหล่านี้ต้องรู้ต้องเห็น เพราะเป็นความจริงที่มีอยู่แล้วมีแล้วล<ะ>เห็นหรือเจออะไรก็เจอสิ่งที่มีอยู่แล้วทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของปลอมๆเป็นของมีอยู่มันต้องรู้ต้องเห็นนี่แหละเรียกว่าอ่านความจริงอ่านในภาคปฏิบัติท่านเป็นอย่างนี้ท่านพูดไว้เพียงย่อๆเท่านั้นนะไม่มากไม่เพราะจะเหลือเฟือ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 แต่เวลาเจ้าจริงเจาจังแล้วต้องเป็นเรื่องของเจ้าของผู้นั้นเป็นผู้บุกเบิกออกเองรูล้ลึกตึ้นหยาดเอียดแค่ไหนก็เป็นเรื่องของผู้นั้นทำให้รู้ให้เห็นขึ้นมาภายในตัวของเราเนี่ยที่กล่าวตะกี้นี้ว่าธรรมะบทใดบาทใดก็ดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นคือสอนเพื่อให้ฆ่ากิเลสจ่อเข้ามาจุดเดียวคือกิเลสทั้งนั้น บำเพ็นก็บำเพนคำว่าบำเพนก็คือเพื่อจะฆ่ากิเลสนั่นเองกําลังบางชาติมีไม่ไม่มากก็เอากำให้พให้มากให้มากมากก็มากเพื่อจะเนี่ยจะสร้างหารสิ่งที่มันยึดมันกดมันถ่วงอาไว้ไม่ให้พ้นจากทุกข์ไปได้เพราะอันเดียวนี้เท่านั้นคือกิเลสเมื่อกิเลสได้สิ้นไปจากใจแล้วไม่บอกก็ตามถ้หลุดลอยไปเลยจิตเหมือนนักโทษที่ติดคุกมาแสนแสนทรมาน พอพ้นโทษเท่านั้นใครจะอยากมาติดอีกละ่ะก็โดดถางทีเดียวแล้วไม่ต้องถามหาบ้านหาเรือ น, นเตงมด้วยไปถูกปั๊บเลยนี่ก็เหมือนกันกิเลสมันกดมันถ่วงจะมากมายขนาดไหนจนถึงต้องได้เข็ดหลาบขนัดไม่มีอะไรเกินเข็ดหลาบกิเลสแหละเพราะนั้นการสอนถึงสอนโลกเพื่อให้เห็นโทษของกิเลสแล้วให้แก้ให้ไขแล้วความดีทั้งหลาย เพื่อจะเป็นเครื่องมือต่อต้านหรือต่อสู้กับกิเลสก็ให้สอนให้บําเพ็ญเอาทานก็บําเพ็ญศีลก็ให้รักษาภาวนาก็ให้ทําซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องมือที่จะฆ่ากิเลสทั้งนั้นทีเดียวพระเห็นว่ากิเลสเป็นภัยไม่มีอะไรเกินในโลกทั้งสามนี้โลกที่กองกันอยู่ในทั้งสามเนี่ยทั้งที่เป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของภูมิของภพนั้นๆล้วนแล้วตั้งแต่กิเลสอันเดียวนี้เท่านั้นเป็นุกบีบบังคับหรือกดถ่วงเอาไว้ ไม่ให้หลุดพ้นไปได้จะเป็นอะไรไปต้นไม้ภูเขาดินท่าต่างนันมีอำนาจที่จะมาดึงดูดจิตใจให้ติดจมอยบได้เหมือนกิเลสอะไรล่ะอันนี้จึงเป็นของสำคัญมากเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ใช้อุบายวิธีการอย่างละเอียดละอว์อุตสาพยายามเต็มที่เต็ ม, ตมฐานคนเราก็เมื่อได้เห็นโทษของมันโดยลำดับดานแล้วความเพียรมันมีมาเองแต่นี้มันไม่เห็นน่ะสิเพราะไม่มีทําเครื่องที่จะให้เห็น ถ้ามีเครื่องมือที่จะให้เห็นบ้างแล้วมันก็เห็นก็พบก็เจอเห็นโทษก็เห็นก็ไปเรื่อยเรื่อยเราจะเห็นได้จากการปฏิบัติของเราตั้งแต่ขั้นหยากขั้นหยากไม่ค่อยเห็นต้องถูต้องไถบังคับบัญชากันให้ต่อสู้กับกิเล่ศพอได้เหตุได้ผลพอประมาณแล้วความเพียรก็มมีความมีแก่ใจก็มีความห่วงใ ย, ายการภาวนาก็มีความขี้เกียจขี้ค้านน้อยลงไปน้อยลงไป จนกรทั้งก้าเข้าสู่อย่างที่กล่าวตะกี้นี่ก้าเข้าสู่จิตอภาวนามยัญญาแล้วเริ่มตั้งแต่สมาธินี้มันก็ดูดอยู่แล้วแหละอืสมาธิตั้งแต่สมาธิขั้นต่ําๆจนถึงขั้นละเอียดจนจิตที่ดูดดื่มในธรรมทั้งหลายอยู่แล้วแล้วยิ่งก้าเข้าสู่ปัญญาขั้นที่ว่าภาวนามยัญญาโดยแล้วนั่นแหละเป็นขั้นที่เห็นโทษโดยลําดับลําดา ความเพียรหมุนตัวไปโดยลําดับดาความขี้เกียจขี้คลานค่อยอ่อนตัวลงอ่อนสุดท้ายความขี้เกียจขี้ค้านหายหน้าไปหมดไม่มีเหลือจริงๆเม่ตั้งแต่ความที่จะเอาจะสู้จะเอาให้หลุดพ้นโดยท่าเดียวราวกับว่าทุกลมหายใจนั่นเห็นไหมถึงขั้นมันเป็นมันเป็นได้ในบุคคลคนเดียวนั่นแหละที่ตัวขี้เกียจขี้ค้านมากๆนั่นแหละตัวโง่โง่ก็คือจิตรงนี้เวลามันฉลาดใครจะไปทันมันวะฮะ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 แล้วก็รวมเข้ามาสู่กำลังของใจที่จะทำให้หลุดพ้นทาตัวให้หลุดพ้นความเพียรก็แก่กล้าปัญญาสติปัญญากร็รวดเร็วความบตสาพยายามไม่ต้องบอกมันหักหมุนของมันไปเองพร้อมๆกันนั่นแหละนี่ความขี้เกียจไปไหนไม่มีเลยมีแต่จะเอาท่าเดียวถึงต้องได้ล้างเอาไว้ที่ท่านสอนว่าอุทัจจะในสังโยชน์เบื้องบนความฟุง้งความเพิน ของปัญญาของสติปัญญาต่อความภาคเพียรต่อการต่อสู้กิเลสทั้งหลายจนเพลินเพลินจนลืมตัวไม่ได้เข้าพักผ่อนสมาธิเลยท่านถึงสอนให้พักในสมาธิเพราะหยุดเพลินในความเพียรไม่มีคําว่าขี้เกียจที่คร้านเคําว่าขยันก็เลยเสียมันพูดไม่ได้คําว่าขยันนีเหมือนกับว่าทําขั้นต่ําลงไปเมื่อถึงขั้นหมุนตัวไปเองแล้วมีแต่ขั้นว่าเป็นก็เป็นตายก็ตา ย, ตา ย, ตายจะให้หลุดพ้นถ่ายเดียวเท่านั้น อย่างอื่นเป็นไปไม่ได้น่ะ น, นี่ขั้นนี้แล้วความขี้เกียจจะมาจากไหนมันจะมาได้เกิดได้ในขนาดใดเล่าก็เมื่อมันมีตั้งแต่จะใ ห, ให้ให้ให้ชนะถ้าพูดถึงว่าชนะก็จะให้ชนะท่าเดียวถ้าจะให้หลุดพ้นก็จะให้หลุดพ้นท่าเดียวนี้เท่านั้นเป็นก็เป็นเป็นก็ให้หลุดพ้นตายก็ให้หลุดพ้นแล้วความขี้เกียจมาจะมาช่องใดเล่ะฟังสินี่แหละเมื่อถึงถึงขั้นอันนี้มันเป็นเองด้วยกันทุกคนไม่ต้องบอก หากรู้เองนะเจ้าขอนี่เพราะอะไรเพราะคุณค่าของธรรมมีมากแล้วกับย้อนไปเห็นโทษของกิเลสนั่นแหละธรรมเกิดก็คือแสงสว่างเกิดความเฉลียวฉลาดเกิดภัยมากน้อยมันก็เห็นนะสิปัญญานอกจากนั้นยังปัญญายานที่ละเอียดยิ่งกว่าปัญญาเข้าไปอีกมันยิ่งเห็นชัดลงไปละเอียดแลพพดหลมคมขนาดในกิเลสแต่ก่อนก็ว่ามันแหลมคมไม่มองเห็นหนที่นี้เมื่อสติปัญญาอ เหล่านี้ได้อบรมตัวจนกระทั่งคล่องตัวถึงขั้นสัตมหาติมาปัญญาแล้วนอนใจได้อย่างไรสติปัญญาขั้นนี้ไม่ใช่ขั้นนอนใจถึงจะติดก็ไม่ได้นอนใจหากมีแง่มีอะไรที่จะรู้จะเห็นที่จะดูเหตุการณ์ต่างๆอยู่นั้นน่ะจนกระทั่งผ่านไปได้จนกระทั่งรู้ในสิ่งที่ติดที่คล่ อ, องนั้นผ่านไปได้โดยไม่มีเหลืออะไรเนี่ยฟังดิ เนี่ยถึงขั้นฉลาดคำว่าฉลาดอันนี้หมายถึงฉลาดโดยธรรมฉลาดทางภาคปฏิบัติเป็นความฉลาดที่ผิดกับความฉลาดทั้งหลายที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาทางโลกอยู่มากมายถ้าผู้ปฏิผู้มนปฏิบัติไม่รู้ไม่เกิดความฉลาดประเภทนี้หากไม่รู้ว่าความฉลาดประเภทนี้คืออะไรขอให้เจอเข้าไปเถอะจะทราบเองฐานที่จะเกิดความฉลาดก็คือภาวนามยปัญญาดังที่วา่านี่เป็นฐาน อ, อันดับของปัญญาฐานต้นก็คือสมาธิเป็นเครื่องหนุนให้จิตอิ่มตัวมีความสงบเยือกเย็นอิ่มตัวคือสงบเย็นอยู่ภายในตัวอิม่มเ อ, อิบอยู่ภายในจิตเพราะจิตเป็นสมาธิจิตสงบย่อมไม่ฟุ้งซ่านนำคาญกับู๊กับเสียงปิ่นนวดเครื่องสมัมผัสอันเป็นสาทางที่จะให้เกิดกิเลสทั้งหลายเข้ามาพอกปูนหัวใจเมื่อจิตมีความอิ่มตัวแล้วพระ เดินทางด้านปัญญาจิตย่อมทํางานทางด้านปัญญาที่คลายดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ธาตุขันอยวยระส่วนใดก็ตามหเห็นเป็นอรชูพระอรุูพังอนิจจังทุกขังหน้าตาเมื่อละเอียดเข้าไปก็เห็นเรื่องเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นในขันอันนี้เห็นเข้าไปชัดเข้าไปนี่เรียกว่าปัญญาและแจ้งเข้าไปโดยลํำดับลำดาดากนั้นก็ก้าวเข้าสู่ภาวนามายปัญญา เอาละที่นี่นั่นเป็นฐานที่จะให้เกิดความฉลาดไม่ต้องบอกถ้าถึงขั้นอยู่แล้วปัญญาจะหมุนตัวไปรอบด้านทีเดียวทั้งๆ ท, ที่เราไม่เคยเป็นไม่เคยเห็นไม่เคยมีแล้วไม่คาดไม่ฝันด้วยว่าจะได้รู้ธรรมชาติที่อัศจรรย์ที่แปลกประหลาดในหัวใจของเหล่านี้น่ะแต่ก็ได้เห็นเชื่แล้วปรากฏแล้วเวลานี้ น, นั่นนี่แหละทำความฉลาดของกิต ที่สังหารจิเลตไม่ใช่ความฉลาดแบบโลกโลกที่ศึกษาเราเรียนกันมาอันนั่นเป็นความรู้ความฉลาดที่จิเลตมันผิดขึ้นมาเราเอาเราเรียนวิชาจากี่เลตมันจึงไม่ไปไม่สามารถจะไปฆ่าจิเลตได้ต้องเป็นปัญญาของธรรมที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติตังที่กล่าวนี้ปัญญาอันนี้แหละความฉลาดอันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะสังหารจิเลตทุกประเภท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 ใครมีความมูขฉลาดไปเท่าไหรก็ยิ่งทะนงตัวว่าตัวรู้ตัวฉลาดแล้วสุดท้ายก็ทําแต่ความชั่วให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนถ้าผูดตามหลักทําแล้วความฉลาดอะไรอย่างนั้นคนฉลาดต้องให้ความสุขแก่โลกตั้งว่าพุทธเจ้าสินี่พพุทธเจ้ามีความฉลาดมากน้อยเพียงไรเราก็รู้เลยแล้วแล้วทําประโยชน์ให้โลกได้กว้างขวางขนาดไหนเราเห็นไหมสามโลกธาตุมีพระพุทธเจ้าเป็นครูสอนทั้งนั้นสอนให้หมด นี่ความฉลาดอันนี้ทําโลกให้เย็นแต่ความฉลาดของกิเลสฉลาดไปไหนยิ่งทำโลกให้โลกให้ร้อนแต่โดยลําดับลําดับนี่มันโกงกันข้ามอย่างนี้เองเราไม่ได้ประมาททางโลกนะลราพูดตามความจริงความจริงมันเป็นอย่างนี้ภายหลังท่านจึงสอนให้เป็นปัญญาทางธรรมเข้าไปเพื่อแก้กิเลสถอดถอนกิเลสอต่ปัญญาทางโลกมันไม่นั่น น, น, นคิดดูที่อย่างเราเรียนหนังสือเนี่ยทั้งๆที่เรียนทำแท้ๆนั่น เรียนป ร, ริยัติธรรมสอบได้มาเริ่มมาตั้งแต่นักดนตรีโทเอกมาหาพยานจนถึง9ประโยชน์เอาเรียนจบพระไตรปิฎกแทนที่กิเลสจะหลุดลอยไปเพราะการเรียนการจําได้นั้นกลับถะนงตัวว่าตัวเรียนรู้เป็นเรียนหลักรู้หลักนักปรับนั่นฉลาดแหลมผมไปที่ไหนก็เหมือนว่ายกแบกคัมภีร์ไปเป็นรูพระไตรปิฎกเคลื่อนที่ความสําคัญตนอันนี้แลยคือตัวกิเลสแท้ๆนั่นฟังสิแก้ยังไงอย่างนั้น นอกจากเอากิเลสมาพอกคุณตนด้วยความสําคัญนี่แหละเรียนธรรมก็ตามถ้าเป็นเรื่องใจยังเป็นโรคอยู่มันกิเลสมันแทรกเข้าได้อย่างนี้เองเรียนธรรมอย่างนี้มันก็เป็นกิเลสถ้าเรียนเพื่อจะถอดถอนแก้ไขเพื่อปฏิบัตินั่นเป็นธรรมโดยแท้ถึงจะมีความสําคัญอยู่บ้างความสําคัญนี้ก็มีวันจะหลุดลอยออกไปได้สําคัญว่าตนรู้ตนฉลาดด้วยได้จําได้มากเพราะการเรียนมากอย่างนี้ก็ตาม แต่มันจะมีวันหนึ่งที่มันจะปัดอันนี้ออกแล้วก้าเข้าสู่ภาคปฏิบัติแล้วลดละสิ่งเหล่า น, นี้ออกหมดไม่มีเหลือเลยเหลือแต่หลับความจริงล้วนๆไม่สำคัญว่าตนรู้ตนฉลาดไม่สำคัญว่าตนดีตนเด่นกว่าผู้หนึ่งผู้ใดเลยในโลกนี้เสมอไปหมดแล้วความเสมอนั้นเจือเต็มไปด้วยเมตตาอีกอ่อนนิ่มไปหมดอีกนั่นไม่มีอะไรที่จะเป็นพิษเป็นภัยในความรู้ประเภทนั้นเลยเนี่ยฟังสิมันต่างกันอย่างนี้ การความรู <unlucky. S 2> ้ทางเกี่ยวกับเรื่องทางโลกความจํามันเป็นเรื่องของโลกมันทําให้เกิดกิเลสได้โดยเจ้าของไม่รู้สึกตัวเลยทั้งๆที่เรียนทำนั่นแหละแต่กิเลสก็ก็เข้าไปหากินในวงนั้นอีกเหมือนกันเหมือนอย่างเขาไปหากินในวงวัดนี่แหละมีงานตรงไหนตรงไหนพวกหากินในวงวัดมันมีเอราเราดูก็รู้นี่นะออย่างน้อยก็พวกขายของขายกระทมขนมมันเต็มในวัดมีว่าไง เนี่ยมันกข้าไปหากินเราเทียบไม่เฉยนะ <c oughs> ในเรื่องกิเลสหากินกับทำเป็นอย่างนี้แหละาใครเรียนได้มากเท่าไรโอ้โหคำพีจะแตกไปที่ไหนหนักก้าวไม่ออกหนักความรู้ความจริงมันหนักกิเลสความโถงตนความสําคัญตร น, น, นต่างหานี่เป็นกิเลสไม่ได้ละกิเลสอันเนี้ยเรียนมากเท่าไหร่ก็กิเลสก็ไม่ได้หลุดลอยถ้าไม่ได้ถลอกปอกเปิบบ้างเลยการเรียน ยิ่งเรียนด้วยความสําคัญไปอย่างนั้นแล้วยิ่งหนักยิเลส ย, ยิ่งมากกว่าคนธรรมดาี่ถ้าเรียนเพื่อจะปฏิบัติแล้วเอาอืมถึงมันจะมีอยู่บ้างเป็นธรรมดาของมวลชนโกลนุบายไม่ทันยิ่เลนก็ตามมันมีวันหนึ่งที่คกลนูบายจะทันปัดยิเลสความสำคัญอันนี้ออกได้จากการปฏิบัติทั้งตนแล้วรู้มากเข้าไปเท่าไรยิ่งปล่อยวางมากป่อยวางมากสุดท้ายละหมดความสําคัญ อะไรๆไม่มีเหลือเลยยังที่ขั้นพูดว่ามานาเก้าคืออะไรนั่นมานาเก้านั่นเป็นธรรมของผู้ปฏิบัตขิขั้นสูงคือขั้นสูงคือก็คือขั้นละเอียดที่อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเที่ยวกำลังแหลมปุ๋นยังไงเห็นพรมแปกประหลาดขมาาา้มอธิจฐานภายในจิตใจของตนแล้วก็คิดอยากเทียบเทียม ท่านถึงว่ามานะเก้ามานาคือความถือถือความรู้อันเด่นดวงนั้นแหละแล้วก็สําคัญว่าตนตนต่ํากว่าเขาอสําคัญว่าต่ํากว่าเขาหนึ่งเสมอเขาหนึ่งยิ่งกว่าเขาหนึ่งตนเสมอเขาสําคัญว่าต่ํากว่าเขาแลอเสมอเขาและยิ่งกว่าเขาหนึ่งตนสูงกว่าเขามีภูมิกุ้ภูมิทาสูงกว่าเขาสําคัญว่าตนต่ํากว่าเขาหนึ่ง เสมอเขาหนึ่งและสําคัญว่าสูงกว่าเขาหนึ่งนี่เป็นเก้าอย่างอยสานนิสสังเป็นมาห น, น, น้าเก้านี่ถือแต่ถือจนธรรมะขั้นสูงอันนี้ขั้นละเอียดมีวันที่จะปลดปล่อยลงได้โดยไม่ต้องสงสยัยละอันนี้แน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งแน่ที่จะมาหน้าเก้าที่จะทางลงไปเพราะ ถ, ถ้าหากว่าเราจะเทียบกีดแล้วก็กีดอยู่ในอาณาธรา ร, รมะ ก, กำลังเก้าเดินในอาณาธรรมพวกสังยุท์เบื้องบน เนมานะอุตจาวิชาะมานะถือถืออันนี้เองแหะเมื่อถือใจแล้วก็ถืออาการเหล่านี้สำคัญตนไปต่างๆเนี่ยผู้ปฏิบัติหากได้ตั้งอกตั้งใจจริงๆแล้วก็เคยได้พูดแล้วว่าสดสดร้อนร้อนธรรมะเบืเจ้านักผลนิพพานสดสดร้อนร้อนกังวานอยู่ในหัวใจเราเช่นเดียวกับกิเลสมันกังวนตลอดเวลาความโลภมันก็กังวนอยู่ตลอดเวลา ความโกรความหลงกังวานอยู่ภายในจิตใจเราไม่เคยคืบไม่เคยล่าสมัยไม่เคยล่าเคยสายไปตามปีตามเดือนเพราะจิตใจไม่ตายอันนี้มันก็แอบแฝงอยู่กับของไม่ตายนั่นแหละแม้มันจะเป็นอนิจจังทุกขังนั้นตายอยู่ก็ตามมันก็แฝงอยู่นั่นอันหนึ่งดับไปอันหนึ่งเกิดขึ้นเชื่อมมันฝังอยู่ภายในจิตใจนั้นคืออวิชชานั่นจึงพาสัตว์ให้เกิดให้ตายในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจิต ด, ดวงใด ที่จะรอดพน้นจากอำนาจของกิเลสประเภทที่ว่าฝังจมนี้ไปได้หรือเว้นจิตพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นนอกนั้นล้วนแน้แต่จู่ใต้อำนาจของธรรมาชานี้เมื่อเป็นเช่นนั้นพรุทธเจ้าจะไม่แสดงทาด้วยความเห็นโทษสิ่งอย่างนี้ได้อย่างไรก็โลกทั้งสามแดนโลกฐานไม่มีรายใดเลยได้ผ่านพ้นออกไปโดยธรรมดาของตน คือไม่ได้นะได้รับการแนะนําำการสอนนะอย่างนี้ให้เป็นออกไปโดยห ล, หลักธรรมชาติตัวเองไม่มีเลยต้องได้อาศัยทำไปฉุดไปลากดึงขึ้นมาถึงจะหลุดขึ้นมาก้นขึ้นมาโผล่ขึ้นมาได้นั่นนั่นแหละพระพุทธเจ้ามาอุปบัติแต่ละโพลบวงจึงทาประโยชน์ได้มากมายสัตว์ผู้มีอุปนิสัยที่ควรจะดุดพ้นอยู่แล้วก็มีเพราะถึงจะจมอยู่ในวะะัฏะก็จมอยู่ด้วยอุปนิสัยนี่นะไม่ใช่ไม่มีอุปนิสัยเลยมี แต่ธรรมชาตินั้นมันยังเหนือกว่ามันต้องคราบเอาไว้ก่อนอพอเมื่อได้มีผู้เปิดทางให้แล้วก็ดีดผึ่งผึงผึงออกเลยเปิดช่องเปิดทางให้ก็ดีดผึ่งผึ่งขึ้นมาที่ว่าได้บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าเป็นจํานวนมากมายในการแสดงธรรมแต่ละครั้งละครั้งนะฟังสิพุทธบริษัทได้บรรลุธรรมเป็นเท่าไหร่มากมายหลายกองนี่คือผู้ที่หลุดพ้นหลุดพ้นเป็นตามช่อง ที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดนี่นะพ้นไปพ้นไปพ้นไปเพราะอุปนิสัยมีอยู่แล้วนี่เป็นแต่เพียงว่ามันยังไม่สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้จริงต้องได้ตะเกียบตะกายตกนันภพใดชาติใดก่อนสิทธะจะทำยังไงได้นีบา ก, กรรมมันมีเหนือตัวทำด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการไปทำความชั่วช้าลังโมกด้วยความคลึกความคนนองความอยากทา หรือความไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีจะบ้างอะไรแต่ทาลงไปธรรมชาติที่มันมีอยู่เป็นความจริงไม่เอียงกับผู้ใดเลยทีทำลงไป ม, มันก็ต้องเป็นทำบาปต้องเป็นบาปทำบุญต้องเป็นเหมือนเราไปขี้ไฟจะว่าไม่ร้อนก็ว่ า, าสิลองขี้เข้าไปที่ความจริงเป็นังไงมันก็บอกเองนั่นหลักความจริงมีบาปก็เท่ากับไฟนั่นเองมันต้องเป็นเองอย่างนั้นีนพวกเราัง้ง ใด้มาพูธปฏิบัติ ธ, ธรรมแต่ ย, ยังมามัวแต่ความขี้เกียจชี้ค้านเห็นคุณค่าของโลกของสงสารของจีเลตัญหาอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นคุณค่าของธรรมเลยมันก็ไม่มีวันที่จะผ่านไปได้หรือไม่มีวันเบาบางในเบื้องต้นได้พูดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์เรื่องทุดงขาวัด ซึ่งเป็นข้อเป็นสําคัญสําคัญด้วยกันทั้งนั้นเป็นเนสัชชีท่านกระบอกไว้อดนอนเป็นคืนๆไปเนี่ยอดนอนนั่นก็เพื่อความเพียร น, นะเพื่อเความาพากเปี่ยนไม่นอนอยู่ในียบุตรสามคือยืนเดินนั่งไม่ยอมนอนเลยยังไปจากกูบาลจนมาทั่งถึงจากสุแตกท่านไม่ยอมนอนแล้วมันมาสามเดือนหนึ่งไงท่านไม่นอน จากสูทั้นแตกแต่ท่านก็นบรรลุธรรมเป็นราตบุคคลขึ้นมาได้เลยนะนี่ับทุดงข้อหนึ่งมันกันเนสัตชิอยู่ในป่าอยู่ในป่าช้าตอนนี้เมแต่ทุดงเท่านั้นสอนให้อยู่ในป่าเพราะคุณค่าขอางความอยู่ในป่านั้นสำคัญมากกว่าอยู่ตามสถานที่ธรรมดา ทีนอยู่ในบ้านเป็นอย่างหนึ่งวัดบ้านเป็นอย่างหนึ่งวัดป่าธรรมดาเป็นอย่างหนึ่งอยู่ในป่าเปลี่ยวเป็นอย่างหนึ่งความรู้สึกของเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อความรู้สึกของเราเปลี่ยนขึ้นทางด้านธรรมะทางด้านดีอกําลังใจของเราก็ได้นี่ยครับเริ่มเข้าพรรษาตั้งแต่วันนี้แล้ว อู๋ที่มาบวชไม่มีหน้าที่การงานอะไรยาห่วมใยยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอดีตทางบ้านทางเรือนจิจหน้าที่การงานถึงคิดแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์คิดให้เป็นกังวลใจเปล่าๆข้างหน้าข้างหลังคืออดีตอนาคตไม่ต้องยุ่งเวลานี้บวชมาเพื่อประกอบความภาคเพียรให้ทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้เห็นเหตุเห็นผลภายใจิตใจตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว อยางน้อยจิตใจสงบก็ยังดีเทปก็มีในวัดนี้เอาไปเปิดฟังนั่งภาวนาฟังเทพก็ดีหรืออยากจะอ่านหนังสือก็อ่านแต่อ่านหนังสือสู้ฟังเทพไม่ได้ในขณะที่นั่งภาวนาจิตสงบเย็นลงไปสติเป็นของสำคัญนะใครเคยภาวนาบทใดบาทใดกใ็ให้อยู่กับทำบุตรนั้นบาทนั้นไม่ว่าจะก้าวหน้าถอยกลับ ม่ว่าืนมาเดินเียบบททั้งสี่ให้ได้ทุกระยะไปยิ่งหนีความคิดเป็นธรรมปรุงก็ปรุงเป็นธรรมเช่นพุทโธนเป็นความเป็นสังขารเป็นความคิดแต่เป็นความคิดที่เป็นธรรมเรียกว่าความคิดฝ่ายมากมันคิดเรื่องราวอะไรที่เป็นเครื่องปลูกพันธุ์นั่นเป็นความคิดของสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดกิเลสขึ้นมาเกิดทุกข์ขึ้นมา ให้ระงับความคิดเช่นนั้นให้คิดแต่สิ่งที่ดีงามคือทำเท่านั้นใจสงบผู้พอนาะอนาปานาติก็ให้กําหนดตามที่เขียนไว้ในหนังสือก็มีในเทปบางม้วนก็มีนี่ได้อธิบายไว้พอประมาณพอประมาณถึงไม่ละเอียดมากก็พอจะจับเมือนได้แล้วแต่พอจับเมือนเข้าไปไแล้วความละเอียดไม่ต้องบอกเจ้าของจะเข้าใจเองเพราะ ความละเอียดนี้จะบุกเบิกเข้าไปถึงขั้นที่ละเอียดสุดได้ไม่สงสัยที่ผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองปีนี้พระเน้นก็ตั้งสี่สิบกว่านั่นให้ขยับขยายเท่าไรก็ไม่ขยับขยายนี่อยู่ก็อย่างนี้เต็มไปนี่จะว่าไงล่ะมันลำบากหนักเหมือนกันผมผู้ปกครอง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 หลอกเจ้าของให้เกิดความเดือดร้อนวายสุดท้ายก็กระทบกระเทือนกันจนได้ความกระทบกระเทือนนี้หรือความทะเลาะเบาแว้งกันนี้ก็ต้องสําคัญว่าตัวดีตัวถูกความสําคัญว่าตัวดีตัวถูกโดยไม่เสียดายอัดทมเลยนั่นนั่นเป็นความผิดมากทีเดียวความสําคัญว่าตัวถูกเสียดายในความถูกของตัวอ่าแล้วก็คือเสียดายเรื่องของกิเลสนั่นแหละจะไปเสียดายอะไรมันไม่รู้ไม่ทันนี่นะทันทีเลื เมื่อทะ เ, เลาะกันขึ้นมาแล้วความทะเลาะนั่นหรือเป็นธรรมความทะเลาะนั่นหรือเป็นของวิเศษความทะเลาะนั้นหรือเป็นทางมรรคผลนิพพานนั่นกิเลสมันไม่ได้คำหนึ่งนะตอนนี้มันว่าตัวดีทั้งนั้นปิดกั้นทางตัวเองเท่าไหร่มันก็ไม่รู้นี่สิเป็นสิ่งสงคัญมากถ้าเป็นธรรมแล้วมันไม่ได้ว่าละดูหัวใจนี่ใครติใครชมที่ไหนฟังมันลงในหัวใจใจมันจะไปว่าไง มันหิวอะไรกับเขาอ응ืเขาติมันได้อะไรเขาชมมันได้อะไรมันรู้อยู่นี่อมันปรุงขึ้นมาแป๊บมันก็รู้เมื่อเรารู้แล้วมันก็ดับถ้าไม่รู้มันก็เป็นภาพออกไปหลอกเจ้าของให้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาจนได้นี่เป็นของสําคัญและวัดนี้ผมเป็นหัวหน้าในการปกครองทุกสิ่งทุกอย่างแน่ใจว่าปกครองหมู่เพื่อนโดยทําโดยยว่ไหน เต็มความสามารถของเจ้าของที่ได้ศึกษาราวเดียนและได้สำเนียบศึกษามาจากครูจากอาจารย์ให้มาปกครองหมู่เพื่อนอันใดที่มันล้องใจอันไหนให้มาปรึกษาป่าลกยาตั้งเป็นกฎเป็นเกณฑ์ด้วยความอวดรู้อวดฉลาดขัดแย้งคนนั้นขัดแย้งคนนี้เดี๋ยวจะตั้งเป็นกบเป็นเหล่าขึ้นมาและโจมตีกันในวัดกลายเป็นพวกหมาตัดกันไปนะผมไม่ปรารถนาอย่างยิ่งอย่าให้เห็นเรื่องอย่างนี้นะ สอดตรงนั้นแทรกตรงนี้อย่างเนี้อย่าให้มีมีไม่ได้ผมพูดโกงๆเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่ทำยับยาบเห็นกันอยู่เอามาอวดทําไมอืมเรื่องตั้งกดนั่นกดนี้ก็เหมือนกันคัดค้านผู้นั้นคัดค้านผู้นี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างนี้อย่ามายุ่งมันทะเลาะกันนะเรื่องเหล่านี้ยับยับถ้ามีความสุข้องใจสงสัยตรงไหนให้ศึกษาครูบาอาจารย์ นักศึกษาหมู่เพื่อนให้ศึกษาโดยเหตุด้วยผลโดยอดุธรรมอย่าศึกษาด้วยความอวดรู้อวดชาติว่าผมเห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยเหมือนกับเราเป็นจอมนับป่านั่นแหละจอมโง่ที่สุดจอมชั่วชาลิโม้ที่สุดมันกําลังเริ่มเกิดขึ้นแล้วน่ะถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วสุดท้ายก็เป็นกกเป็นเหล่าขึ้นมาเลยเข้ากับคนนั้นมาได้เข้าคนนี้มาได้เข้ากับพวกนั้นมาได้เข้าพวกนี้มาได้นั่นแหละที่นี่มาส่องสมนั้นน่ะไม่ใช่มาปฏิบัติธรรมมาสร้างสม ฟืนสูบไฟเผาศาสนามันก็เท่ากับเทวทัศน์แหละที่ครูบาอาจารย์มีอยู่ไม่ยอมฟังเสียงใสุดท่าก็แยกแยก แ, ยกแตกกันเป็นสังกเพศภายในวัดเข้ามาย้ายผมได้เห็นผมไม่ปรารถนาอย่างยิงย่งหากเห็นท่าไม่ดีแล้วผมหนีได้นะในภรษาก็ตามมิจะถามจะถามองค์เลยว่าท่านนี้ยอมผิดไหมถ้าไม่ยอมผิดนังว่าดีอยู่ท่านจะอยู่ที่ท่านจะไปบอกองค์เลยเราเอาท่านไม่ไปผมจะไปเอา เรยกกันบางนี่เลยนะแล้วจริงด้วยนะถ้าท่านอยู่อปกครองหมู่เพื่อนผมไม่ผมไม่ดีแล้วผมจะไปเลแล้วเตรียมของทันทีไปเลยไม่เสียดาย อ, อะไรทั้งนั้นแหละพอเราสอนพาเพื่อพาจะแทร่แล้วมันไม่เกิดประโยชน์อำนาจศาสนาเรามมีแล้วจะอยู่ให้หนักศาสนานหนักวัดหนักวานหนักนหมู่เพื่อนทําไมต้องไปนแน่ผมไม่สงสัยถ้าลายถ้าไม่หักว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้อืมตีกลาไวไปเลยก็ได้เด็ดขนาดนั้น่ะถึงคราวเด็ดเด็ดจริงนี่ค่ากิเลกก็อย่างนั้นเหมือนกัน ถึงข่าวเด็ดเด็ดตายก็ตายฟัดกันเลยนี่จึงว่าเดินตายมาหาหมู่เพื่อนมาสอนหมู่เพื่อนให้เป็นอัดเป็นธรรมเรื่องความเมตตาสงสารไม่มีอะไดเจือยวพนเลยหากว่าเรื่องราวจะเกิดขึ้นเป็นอีกอย่างหนึ่งโกงข้ามแล้วก็ไม่ควรจะอยู่วัดสำหรับผมเองก็ดีออไม่มีอำนาจวาสนาปกคล้องหมู่เพื่อนไว้มันไม่ถูกต้องทำให้หมู่เพื่อนละแคะระคายหมู่เพื่อนทะเลาะเบาแวง้งซึ่งกันและกันบอกไม่ฟังก็ต้องไปอืม ถ้าพวกนี้ไม่ไปเราต้องไปมีเท่านั้นอย่างอื่นไม่ ม, มีไม่ได้ต้องเป็นอย่างนั้นนี่นี่เราพูดไว้ดวงหน้านะอย่าให้เห็นอย่าให้พบเราเคยเข็ดมาแล้วแม้ในขั้งพุทธกรรมศาสดรางุค์เอ๋เป็นประธานอยู่มันก็ไม่ได้ไว้หน้านะักเกียรตให้เอาวันนั้นมายึดมาพินิจพิจนาเป็นคติไว้อย่าได้ลืมนะภิกษุชาวโกสัมพีไฟหนึ่งเป็น เป็นขนาจารนเป็นธรรมกถึกมีลูกศิษย์ห้าร้อยขึ้นไปคนหนึ่งเป็นวินัยทรธรรมกถึกคือนักเทศพูดง่ายง่ายวินัยทรคือผู้เคร่งคัดผู้ทรงไว้ซึ่งวินัยทระหรือว่าทรงท่านเรียกว่าวินัยทรนทรงไว้ที่วินัยนี่ก็มีบริ ษ, ษัทบริวารถึงห้าร้อยเหมือนกันแล้ววันวันนั้นพระธรรมสิก ไส้วมถ่ายส้วมแล้วก็ล้างด้วยน้ำในกระบอกเสร็จแล้วน้ำในกระบอกยังไม่หมดก็เหลือน้ำเอาไว้แล้วออกมาหลังจากพระธระรมก็ถึกออกมาแล้วเอาพระพระธรรมถึกออกมาแล้วพระเบญรธาก็เข้าไปส้วมแล้วไปเห็นน้ำที่เหลือไว้ในกระบอกอันนั้นออกมาก็มาต่อว่ากันเล็กน้อย ตามธรรมดาน้ำในกระบอกส่วมสาธารนณะงั้นเมื่อถ่ายแล้วต้องให้หมดไม่ให้เหลือเอาไว้ตามหลักวินัยท่านตะบบวเว้นแต่กระบอกส่วมนั้นเป็นของตัวคนเดียวเช่นอย่างอยู่ในส่วมขอ ง, ของผมของใครก็ตามของคนเดียวนะเหลือไว้ได้ไม่ขัดข้องท่านอนุญาตไปแล้วในพวิ น, นัยแต่นี้อยู่ในส่วมสาธารนณะพอออกมาแล้วก็มีต่อว่ากัน พขาต่อว่ากันแล้วก็องค์ที่เป็นวินัยทอนก็พูดเรื่องราวของพระ ธ, ธรรมก็ถกที่ทําผิดวินัยให้ลูกศรริษย์ฟังไอ้ลูกศิษย์นี่ยก็ไปไปว่าให้ลูกศิษย์ทางด้านอืพระ ธ, ธรรมกถาเอาว่าอาจารย์ของคุณเหลือน้ําไปไหนก็บอกไม่รู้วินัยเลยเอากันเลยที่สุดท้ายก็ระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ก็เอากันแหละทะเลาะ ก, กันแล้วยกทับใส่กันพระพุทธเจ้า มาห้ามไม่ยอมฟังเลยอืมถือว่าดีว่าเด่นด้วยกันดังนั้นถือว่าถูกด้วยไม่ยอมฟังพุทธเจ้าเลยพระองค์ก็เสด็จหนีเข้าไปจำพรรษาที่ป่าไรไรนั่นนั่นหละปีจำพรรษาที่ป่าไรก็คือว่าห้ามไม่ฟังอะไรไม่ฟังดีเกิคนครูกิาอาจารย์นี่คือกิเลสมันดีเกินครูเกินอาจารย์ดีเกินพระสัจดาพระสัจดาก็ไม่ พ, พ, พระองค์ก็ทรงคงจะคิดว่าธรรมดาเราอย่างว่าล่ะไม่ไม่ควรอยู่เมื่อท่านเหล่านี้ ถือี่เดสเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดายิ่งกว่าเราแล้วเราก็ไม่ควรดูต่อไปให้หนักวาดพูดอะไรคงจะเป็นอย่างนั้นแล้วเสด็จออกไปจำมันษาที่ไปอะไรย้นกระทั่งพระอพระทั้งสองฝ่ายนี้จะตายที่นี่เขาไม่ใส่เขาแมวเข้าใส่บาตรแล้วสิไปทางไหนเือนี่ธรรมะถือดิวินรเนี่ยพระวินาทถ้าธรรมะถือคือพระวินาทรลูกศิษย์ทำ ถ้มันถึงลูกสรเนี่ยทอนเขาชีหาช้หน้าชีห้หน้าไปที่ไหนบินทบาทไม่ได้กินเลยทีนี้่อดข้าจะตายจะว่าไงมันมีใครมากมาชี้หน้าชี้หน้านั่นแหะวิเศษยังไงนี่น่าฟังปังเสียที่นี้ที่แรกเจ้าของก็ว่าวิเศษนิสโธดการทะเลาะกันถึงได้ทะเลาะกันไม่ยอมพระพุทธเจ้าเลยไม่เห็นพระพุทธเจ้าวิเศษอะไรเลยอันนี้เมื่อมันจะตายจริงๆแล้วก็จึงมาขอร้องให้พระอนุนไปอารัฐนาบพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมานี่แหละเรื่องมัน พระองค์ริงได้เสด็จกลับมาได้มาประทานโอวาทต่อไปด้วยความที่ท่านเหล่านี้เห็นโทษเต็มหัวใจแล้วเมื่อพระองค์แสดงธรรมท่านนั้นก็ยอมรับทันทีทันทีจนได้บรรลุธรรมมากมายไก่กองนี่เรานี่เราก็ไม่อยากได้ยินเราไม่อยากเห็นเรื่องที่ว่านเรื่องที่ดีกว่าครูกว่าอาจารย์ด้วยความรู้ความฉลาดของตนที่สาคัญตนว่าดีว่า วิเศษวิโยิ่งกว่าไขๆนั่นแหะมันจะเป็นแบบที่ว่านี่ให้พากันระมัดระวังให้มากนะธรรมะกสิทธวิเนศรมันอยู่ในทุกคนนั่นแหละวิเศษตัวผีเนี่ยมันแทรกเขาอยู่ในทุกคนทุกคนให้ระวังนะแล้วความสําคัญนั้นออกมาให้พึงทราบถ้าจะทราบถ้าจะกราบพระพุทธเจ้าว่าเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาองค์อย่างจริงแล้วให้ทราบว่าพราธรรมกสิทธิ์นั้นก็เป็นอาจารย์อันเอกพระวินัยธรรก็เป็นอาจารย์อเอกที่จะถือเป็นขติได้แล้วนั่น ถ้าเราไม่อยากแข่งท่านด้วยวิธีการอย่างนี้นี hmm. ่การเข้าพรรษาแล้วกาตั้งหน้าตั้งตาทำภาวนากันนะไ hmm. อะเรื่อง้นรานี้อย่ามาเพ่นเพ่ น, เพนพั่นพ่านนี่เห็นเถอะลำคาญตาจะตายแหละเพ่นเพ่นพันพ่า น, นด้วยหยายเถอะ้าผลไม่ได้ เพราะนี้ไม่ฟุ้ยนั่นเคยปฏิบัติมาอย่างไรมันติดหัวใจถ้าพูดที่เรื่องติดหัวใจมันเคยมันชินต่อนิสัยเรื่องความสงบตัวประกอบความภักเพียนไม่เป็นเพ่นพันธพันนี้นะมันเป็นเรื่องที่เคยชินต่อผู้ปฏิบัติและเคยปฏิบัติกับผู้อาจารย์มาอย่างนั้นอันนี้เมื่อมาเห็นหมู่เพื่อนเพ่นเพ่นพันธ้าอะไรตอนน้ดูไม่ได้ว่าขัดไม่พูดก็มันกลับไปอยู่นั้นนองเพราะเราเป็นผู้สอนหนูเพื่อนนี่ทําไมเมื่อมันขัดหูกัดตาทําไมมันจะไม่เป็นเลยกิ ก่อนเราเป็นผู้รับผิดชอบทุกด้านทุกทางมันก็ต้องได้ดูเนี้อขัดตรงไหนก็ต้องรู้แหละอันนี้ให้ระวังอย่ายยุ่มยุ่มเยอะๆมากมายนักนะดูหัวใจเจอาของนะ่ะไม่จำเป็นให้เดินโยก็มเอามันหลงทิดหลงแดนไปไปไหนที่เลนะ็ดน่ะนั่งภาวนากเหมันกันสิงขานั่งเอาให้จริงจัง หรือไหนก็ใเป็นประกอบความประกอบความภาคเพียรยาได้ลดไปแล้วผู้ปฏิบัติธรรมย่อมมีตัวเป็นเรียดเอกโกกันว่าเป็นผู้ผู้เดียวเที่ยวไปและอยู่กันล่ะมันกล่าวไว้แล้วในธรรมนี่ก็เหมือนกันให้เป็นประหนึ่งว่าบุคคลผู้เดียวอยู่คนเดียวแม้จะมีอยู่กับหมู่เพื่อนตัางหลายๆองค์ก็ตาม อารมณ์ของกิจอย่าไปยุ่งกับใครต่อใครให้ดูตัวโจรตัวมารตัวเทวทัตมันแสดงอยู่ที่ ห, หัวใจเรานั่นน่ะมันปรุงขึ้นเรื่องอะไรภาพมันออกไปนอกๆนั่เราไปเห็นภาพแล้ตื่นมันผู้ที่มันปรุงออกไปนี้เราไม่เห็นเหมือนกับจอนหนังนั่นเนี่ยมันออกจากฝีมีแปะไปปรากฏที่จอนให้ดูเป็นบ้ากันอยู่นั่นมันออกจากฝี้อันนี้ก็ออกจาก ห, หัวใจมีแปะไปออกไปเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้ว และสุดท้ายเดินอย่งางมีแต่เรื่องอันนี้เต็มหัวใจนั่งแต่มาธิภาวนามีแต่เรื่องเ น, นี้เต็มหัวใจอารมณ์เผาแลามตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวนะว่ามันเผาตัวเองน่ะฮะยังเทินไปเรื่องของคนนั่นของคนนี้ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ตัวเป็นบ้าอยู่ยังไม่ดูถ้าปฏินักปฏิบัติต้องรู้ต้องทอดดูมันย่งมากก็รู้ทันทีสติไม่รู้อะไรจะรู้ปัญญาไม่ค่อยควรอะไรจะค่อยควรถ้าเราเป็นเพศที่ ใหควรประเภทที่มีสติเป็นประเภทที่อดทนเป็นเป็นเพศที่ให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ถือกันเหมือนเป็นอวัยวะเดียวกันเป็นประเภทที่เมตตาซึ่งกันและกันถ้าพระเราเป็นไม่ได้แล้วยาไปสอนโลกเขาเสียเวลามเวลาแล้วหนักหูหนักใจเขาเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาตัวนั้มันจริงสิแล้วค่อยสอนสอนคนสอนใครก็ตามถ้าเราได้จริงและเป็นเมตตาเหน่อยแล้วเขาจะเอาไม่เอาเป็นเรื่องของเขาไม่เป็นอารมณ์กับใครเลย ทำประโยชน์เป็นประโยชน์แท้ๆสอนสอนด like ้วยความเมตตาอย่างจริงจังไม่ได้เป็นเพียง ว, ว่าคําว่าเสร็จสั่งนี่มันจริงที่จริงเจ้าของสอนใครก็ตามมันสู้สอนเจ้าของไม่ได้โทษใครก็ตามมันสู้โทษเจ้าของไม่ได้เพราะโทษเจ้าของมันเถาเจ้าของนี่รูปุตัวโทษมันกินมันเถาลงมันทันจริงนักปฏิบัติไม่ดูหัวใจนี่จะดูที่ตรงไหนเอาแค่นี้กันไปยากหน่อยะ